พระธรรมเทศนาแผ่นที่103ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, ธานีแสดงธรรมในวันที่14ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าให้เลือกเกิดใกล้ครูบาอาจารย์อ้าวลูกหลานอยู่ในความสง บ, บ วงในพระในวัดของเราสี่สบอ็ดลูกแต่แต่ผู้นับดูเอ๊ะทำไมหลวงพ่อบพระสี่ดลูกทำไมไม่ครบวะพระลมพระงดฉันส1บอ็ดลูกวันนี้พระในวัดสีสองดฉันสิบอดลงมาส0สบลงมาฉันส0สิบลูกวันนี้เป็นวันพุทธ ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งขนะึ้น15ค่ำแล้วเป็นวันพระใหญ่วันนี้เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์รวยเพราะนั้นพระสงฆ์บอกกล่าวกันตอนเที่ยงลงอุโบสถอย่างที่พวกเราเคยทำมาทุกวัน าไมไปบอกไม่กล่าวกันบางทีอาจเจ็หลงหลืมก็ได้น ะ, ะนวันนี้เที่ยงพระพร้อมกันหลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกขบทวนเรื่องศิลและวินยัยศิลและวินัยต้องทบทวนถ้าหากว่าเราไม่ทบทวนไม่บอกกล่าวกัน มันก็หลงลืมเลือนลางไปเรื่อยๆเพราะนั้นเรื่องเรื่องอันไหนก็ตามมีอะไรนานๆแล้วก็ทบทวนอันนี้ท่านให้ทบทวนชกสิบห้าวันพอถึงสิบห้าวันกันพระสงฆ์ต้องสวดพระปฏิโมกเพื่อทบ ท, ทวนูิศีลและวินยัายศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันให้วันแปด วันดค่าส5คห้าค่ำก็เจดวันครั้งหนึ่งเป็นวันบําเพ็ญศีลของตนเองสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้เป็นประเพณีของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะได้ตัดสรู้พระอตุระสัมมาสัมโพธิญาณท่านไม่ใช่วา่าจะถึงวัน้ก็ได้ตัดสรู้ไม่ใช่นะ ท่านบําเพ็ญคุณงามความดีของท่านมาโดยตลอดถึงจะเป็นพญานาคอยู่ใต้ท้องบาดาลแปดค่ำสิบห้าค่าท่านจะปลีกตัวขึ้นมารักษาศีลที่เมืองมนุษย์ที่หาหมุมสงบถ้าอยู่เมืองนาคมีแต่เรื่องเครื่องเคลื่นเครึ่โครม อ, อ, อ, อ, อยู่ในเมืองท่านก็ปลีกตัวขึ้นมา มารักษาศีลที่จอมปลวกในเมืองมนุษย์อย่างพระโพธิชั์โภริชัตตจสมัยนั้นปญานาคโพริชัตตานามฉายาของหลวงปู่มั่นก็ใช้นั่นะใช้ชื่อของพระโพธิสัตว์สมัยพระองค์สวยพระชาติเป็นปโพธิทัดเป็น พยานาะคแให้พวกเราทุกทุกท่านนะอันนี้คือเป็นประเพณีของพุทธที่เราประกอบคุณงามความดีที่เรารักษาศีลไม่ใช่คิดได้คิดทำไม่ใช่ครูบาอาจารย์บอกความเห็นของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ก็ต้องเอา หลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาตาว่าพวกเราอยากจะเดินตามแนวแถวระยะประเพณีตามแนวแถวของพุทธะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามให้มีศีลทุกวันพระอย่างน้อย8คํา15คหาคั 15. ถ้ามากกว่านั้นก็ศีลห้าเป็นพื้นฐาน ศีนุโบสถเป็นครั้งคราว เ, าเรียกว่ารักษาโบสถศีลเลยก็ยังได้ น, ะนี่แหละอันนี้สงศีน น, น, นนี่แหละถ้าว่าพวกเรารักษาดีแล้ว เ, เป็นเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจเราจะไปนสถานที่ใดเพราะบุญกุศลอยู่ในจิตใจเราไปเลือกเกิดได้นะเราจะไปเกิดนักสถานที่ใดเพราะเหมือนกับคนมีบุญเหมือนกับคนมีเงิน สั่งสมเงินไว้แล้วเราจะไปเกิดนสถานที่ใดเขาไปเกิดได้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีบุญไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ไปหาเลือกเกิดไม่ได้นะกรรมชั่วจะพาไปเกิดเพราะนั้นอย่างเมื่อไม่นานมานี้นะมีโยมท่านด็อกเตอร์อายุของท่านก็เจ็ดสิบกว่าปีแหละแก่กว่าหลวงพ่อนะ ที่ท่านได้มรณะลงไปท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยกเกษตรบางเขนแต่สมัยนั้นท่านเป็นคนหนุ่มถ้าเกิดขึ้นมากราบหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์ในที่นั่นจนมาถึงครั้งสุดท้ายท่านยังไว แว้งเวียนมาวัดของเราอีกนะโปล่ ม, มารุนลุ่นุ่นลานแต่ถึงยังไงท่านก็ได้เห็นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่นานก็บอกว่าเอ อ, เ อ, อท้าฮาวท่านคงไม่พ้นทุกในชาตินี้ถ้าท่านไม่พ้นทุกนนท่านจะมาขอเกิดในทางอีสานท่านบอกกับครอบครัวของท่านออบอกกับแม่บ้านของท่าน แม่บ้านของท่านก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันนะลูกชายก็เป็นด็อกเตอร์อีกแต่ว่าเป็นตระกูลเรียนตระกูลศึกษาที่เดียวแต่ว่าเราคงจะไปเกิดในทางอีสานทําไมท่านบอกว่าทางอีสานมีครูบาอาจารย์มีบัณฑิตนักปราชญ์มีพอเกิดขึ้นมาก็จะได้บ่มเพน คุณงามความดีจะได้รักษาศีลภาวนาปฏิบัติตามแนวแถวของครูบาอาจารย์นอันนี้หลวงพ่อก็ได้ได้ยินนะผลให้ดุดกันเพราะท่านมรณะภาพม ร, ม, รมรณะลงไปแล้วนะท่านก็เยเอากระดูกของท่านมาฝังไว้ที่วัดของหลวงพ่อเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือแนวความคิดที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นก ก็คือความปราถนาไยดีไยในการกุศลถ้าว่าเราไปเกิดในสถานที่อื่นบางทีอาจจะถล่าไปในในทางที่ไม่พึงปราถนาก็ได้เพราะท่านก็เห็นแล้วเนี่ยท่านก็มองดูแล้วว่าตรงไหนที่ที่เป็นสัปปายะปฏิรูประเทสวสโซจะ เ, เกิดในประเทศที่ได้บํมเพนคุณงามความดี นี่ละท่านก็เยตั้งจิตอธิษฐานปุเพจกะตาปุญญตาน่ท่านก็ตั้งบำเพ็ญไว้ในจิตใจของท่านขอให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดทางอีสานนอะต่ว่าได้เกิดต่อไปภายาภาคหน้าพอจะได้พบครูบาอาจารย์จะได้เรียนรู้เรื่องทำความสอนจะได้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่อหาทางพ้นทุกเพื่อไม่เสีย ชาติที่ได้เกิดมาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดในอีสานอย่างนี้แล้วนะ <c oughs> ก็ถ้าเป็นผู้มีบุญก็ควรจะฝักใฝ่ในการบุญการกุศล น, นะถึงจะไม่เข้าวัดเข้าวาวัดไม่เข้าวัดหลวงพ่อก็เถอดนะจะไปวัดอื่นหรือไม่ไปวัดอื่นก็ได้ให้ภาวนาให้ฟังธรรมเทศนาให้ศึกษาธรรมะจากนันก้นลงมือประพฤติปฏิบัติ ถ้าว่าข้องใจตรงไหนก็ไปถามครูบาอาจารย์มีตั้งเยอะแยะในอีสานผู้ที่ท่านภาวนาอยู่ในปา่าดงผงไพ่เราก็ไปกราบไปถามท่านถ้าว่าถามแล้ท่านไม่เป็นที่พอใจของเราเอ๊ะไม่ถูกกับจุดประสงค์ของเราเราก็เปลี่ยนไปถามองค์เอินไปถามเอยใช่ไปถามคนอื่นแล้วก็ไปถามองอื่ น, อนเองแต่เอย่าไปแข่งอ ย, อย่าไป ไปอวดท่านเท่านั้นแหะเวลาไปถามท่านให้ศึกษาคําว่าศึกษาคํานี้นะคำปรึกษา น, นอีกอย่างหนึ่งนะไปอวดดีอีกต่างหากนะการไปอวดดีตงมีอะไรไปพูดพูดพร่ำพร่ำพร่ำให้ท่านฟางังท่านก็เป็นผู้ฟังจบจบแล้วดนะังกล่าวเอ อ, เ อ, อเอาเอ า, เอาไปไปไเท่า น, นั้นแนหะถ้าไปศึกษาก็ต้องเออกับผมภาวนาไปอย่างนดิฉันภาวนาไปอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครูบาอาจารย์จะมีคําแนะนําอะไรบ้างแตามันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละ ท่านก็จะให้คำแนะนำเพราะท่านเคยผ่านการประพฤติปฏิบัติมาแล้วเพราะท่านอยู่ในปา่าหลวงพงภัยนี่แหละอันนี้ก็คือการเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลวงพ่อว่าเป็นผู้โชคดีนะเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยมีครูบาอาจารย์ที่ให้ฟังธรรมเทศนาและฟังในแนวทางใ น, ในการประพฤติปฏิบัติ ตามแนวแถวของพุท ธ, ธะแต่ถ้าเราได้ศึกษาแต่ในพระไตรปิฎกในหลักธรรมมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้ตนเองเหมือนกับเห็นแต่เครื่องมื อ, เ, อเครื่องมือเต็มคองอยู่นั่นนะไม่รู้จะเอาจุดไหนม า, าแก้ไขกายวาจาใจของตนเองถ้ามีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําเออเอาตัวนี้ไปอหมุนกับตัวนั้นจับตัวนั้นอไปคลายตัวนี้น็อตตัวนั้นอ ก, ก็จะ รู้ได้เพราะว่ามีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําบอกกล่าวแต่ถ้าว่าพวกเราจะนํำทำคําสอนทั้งรุ่นมาแล้วมาประพฤติปฏิบัตินี้มันยากเลยนะศรัทธา ญ, ญาติโยกพราะนั่นกรรมฐานทั้งหลายพระกรรมฐานจึงท่านจึงให้ความเคารพครูบาอาจารย์ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งเป็นครูบาอาจารย์ด้วยเพราะรอะไรเพราะว่า ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําบอกกล่าวท่านเคยผ่านมาแล้วท่านรู้มาแล้ววิธีการดําเนินชีวิตทางท่านจิตใจของท่านท่านทําอย่างไรแต่วิชาทั้งโลกนะเราไม่ต้องถามท่านล็อกวิชาทางโลกมีมากมายแต่วิชาที่จะแก้กิเลสแก้กิเลสภายในใจ้อนใจของเรานะี่ยนะใจของเรามันติดกิเลสมุกมุ่นอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะ จิตที่ตายจิตใจที่ปูงฟุง้งตลอดเวลา น, ะนั่นแหละตัวนั้นแหละควรจะศึกษาควรจะเข้าไปกราบศึกษาเรียนรู้ในการประพฤติธปฏิบัติเนี่แหละการเลือกเกิดมันก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งนะถ้าว่าเราไปเกิดผิดที่ผิดทางอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะบางทีหลงถล่มไปเสียภพเสียชาติ ในเกิดในชาตินั้นทั้งที่ร่ำรวยก็จริงอยู่แต่มันหลง ถ, ถ, ถ, ล, ถล่มถลายไปในทางที่เป็นทางโลกทั้งหมดตัวเอง่าตัวเองฉลาดว่าได้หาเงินหาคำทรัพสมบัติร้อยล้านพันล้านพอได้มาแล้วได้อะไรพอได้พอถึงจุดจบแล้วก็แบ่มือก็ไม่เห็นได้อะไรก็ไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอีกต่างหากอันนี้ว่าเปล่าเปล่าประโยชน์ที่พวกเราได้เป็นอย่างนั้น แต่ถึงยังไงถึงท่านขนาดนั้นก็คงจะไม่เปล่าทีเดียวหรอกก็คงจะได้อยู่แต่ได้ไม่มากแต่ถ้าว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมาเกิดได้พบภ พ, พศาสน า, เ, าเลือกเกิดเราก็ไปเลือกเกิดกับพวกที่พ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิอีกต่างหากในพวกเมื่อไปเลือกเกิดแล้วต้องเลือกเกิดเกิดตรงไหนเอกมันเลือกเกิดได้นะคนมีบุญคนมีปัญญานะ ถ้าเราเกิดเป็นพ่อเป็นพอ<แ>่นพอแม่เกิดเป็นลูกคนโตเนี่ยเอาละต้องได้รับพาระเนี่ยหนีไปไหนไม่ได้อีกถ้าเราเกิดเป็นลูกฉุดท้องอีกพ่อแม่ก็รักอีกไปที่ไหนเป็นเบบี้ตลอดอีกเป็นลูกสาวลูกชายคนฉุดท้องเนี่ยเป็นเบบี้ของพ่อแม่อีกต่างหากถ้าเราเกิดพ่อแม่ไม่ต้องรักมากเท่าไหร่หรอก แต่พอใหญ่ขึ้นมาแล้วนะ่ะเป็นตัวของตัวเองอจากนั้นก็บมเพญ็ญคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้แหละต้องใช้ปัญญาในการเป็นอยู่บาเพญ็ญคุณงามความดีสังสมบุญกุศลไปเรื่อยๆเนะพราะว่าการสังสมบุญกุศลมิใช่ว่าพบเดียวชาติเดียวจะเต็มเปี่ยมไม่ใช่น ะ, ะจะต้องอาศัย ยาวนานทีเดียวกว่าจะเต็มเปี่ยมได้เพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่ว่านะั่นนะเก็บหอมรอมริบเก็บบุญกุศลไปเรื่อยๆเก็บมาพบเกิดมาพบในชาตินี้เอาได้ระดับหนึ่ง เ, เกิดมาอีกถ้าว่าพบใดชาติใดที่เราได้พบพระพุทธศาสนาได้บมเพ็ญ คุณงามความดีพบนั้นฉะนั้นไปนว่าอะไร ก, กำไรได้กําไรมากบําเพ็ญกุศลได้มากแล้วก็เต็มตื่นขึ้นเรื่อยๆผลในสุดนะบําเพ็ญไปเรื่อยๆ ร, รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อพิจารณาเมื่อจิตใจเข้าสู่สมาธิก่อนที่จะเป็นสมาธิใดต้องมีศีลซะก่อนนะศีลนี่เป็นพื้นฐานถ้าคนมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วนะ สมาธิมันก็เข้าได้ง่ายเมื่อเข้าสมาธิครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อไปชำนาญในการเข้าออกของสมาธิจากนั้นก็เดินปัญญาในเมื่อเดินปัญญากับเป็นปัญญาที่แท้จริงพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายนัน่นนะมันเป็นตามขั้นตอนอย่างนั้นนะพวกเราท่านทาให้ศึกษา แต่ถึงยังไงให้เป็นผู้มีศีลนั่นนะศีลเป็นพื้นฐานให้มีสัมมาคาระวะให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ําให้จุกรู้จักสิ่งควรไม่ควรถ้าว่าเราอไม่มีสัมมาคาระวะเนี่ยแข่งกล้า ว, ลวไม่ได้นะเพราะทุทกสิก่ง ท, ทุกอย่างเมื่อมันไม่มีศีลแล้วเนี่ยเวลานั่งภาวนามันก็เนี่ยคิดประวัติประวัติไปถึง การที่ตัวเองทำไม่ถูก น, นั่นะในเมื่อคิดไม่ถูกทําไม่ถูกพูดไม่ถูก น, นั่นะหอมันจะเป็นสมาธิได้ ย, ยังไงในเมื่อจิตใจของเราทำอะไรมันถูกต้องการพูดเป็นธรรมการประพุทธปฏิบัติเป็นธรรมและก็จิตใจของเราไม่ได้คิดไปในทางาสิ่งที่ผ่านมา น, นั่นแหะเรื่องที่ผ่านมา น, นั่นแหะจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบ เมื่อจิตใจเขาสู่ความสงบเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วเราก็นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเนะีน่ยแหละอันนี้เคหลวงพ่อเคยพูดให้พวกลูกเราพระเนนลูกหลานได้ฟังจิตใจเป็นสมาธิสก่อนใช่ไ้ยจึงจะเดินวิปัสสนาไม่ถึงขนาดนั้นการภาวนานะเป็นต่างกลัมต่างวาระนะให้สังเกตตัวเอ ง, เองนะถ้าจิตใจทุกช่วงไหนจิตใจมันปุงฟุ้ง ก็ให้มันไม่ยอมเข้าสมาธิเลยพิจารณ า, ากําหนดดูนับกระดูกของตอนเองดูพิจารณาร่างกายดูแต่จะให้มันออกนอกนะนี่แหละถ้าว่าจิตใจช่วงนั้นมันเข้าสู่ความสงบพอนั่งเข้าไปเออจิตใจจะเข้าความสงบเอาให้มันสงบให้มันอยู่ในความสงบแน่งให้จิตใจได้พักผ่อนในเมื่อพักผ่อนเสร็จแล้วก็เดินทางวิปัสสนาเนี่ยแหละ สรุปแล้วก็คือต่างกลัมต่างภาระไนงะช่วงไหนจะเข้าจุดไหนให้สังเกตเป็นการบำเพ็ญด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่บางคนโอกินอาหารนอนหลับเสียเวลา เ, เราต้องทํางานตลอ ด, นะนดเอาา น, น, เ น, นเี่มันก็ไม่ได้ถ้าว่าบางคนโอไม่ต้องทําการทํางานหรอกพักผ่อนนอนสบายๆมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนันทั้งสองอย่าง ทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะก็คือการพักผ่อนอนอนทานอาหารวิปัสสนาก็คือการทําการทํางานนี่แหละให้พวกเรารู้ทั้งสองเงื่อนเอาไว้นะวิธีการประพฤติธปฏิบัติจากนั้นก็ดําเนินไป เ, เดินไปสู่จุดหมายปลายทางาได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คือประกอบคุณงามความดีวันนี้เป็นวันพระ ขึ้นสิบห้าคเดือนหนึ่งขอให้พวกเราทุกทุกท่านประกอบคุณงามความดีอย่าได้ประมาท8ดค่ำสิบห้าค่าทุกวันพระนะสำหรับศรัทธาญาติโยมนะสำหรับพระสงฆ์ก็ไม่ว่ากันนะให้ประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราเข้ามาหน้าที่นี่แล้วนะเข้ามาอยู่ในหน้าที่นี่แล้วนะ เ, เราจะไปทำยังไงเราทำอย่างอื่นก็เป็นเราก็ต้องคิด จุดประสงค์ของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรสิ่งที่เราปรารถนาที่เราประสงค์นั้นคืออะไร เ, เราต้องมองจุดตามความประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้นะถ้าตอนนี้ไปพระสงค์อนุโมทนาให้พรรับพรในตีหนะ